่าความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปพิยานกำลันนำเสนอพระพุทธธรดมดัเด้าวถึงการปฏิบัติของพระองค์ในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้สัสรุกก็จากพระสูตรต่ตางๆในพระไตรปิฎกออท่า น, นี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นว่า ในการปฏิบัติเหล่านั้นแม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่เมื่อเราโดยเนื้อหาแล้วก็คือจะเป็นการจางคลายไปของกิเลสเป็นการเพิ่มพูนขึ้นของธรรมะเป็นการลดน้อยถอยหลงของความทุกข์และเป็นการเพิ่มพูนขึ้นของความสุขคือผลออกมาในลักษณะนี้ รูปแบบจะรูปแบบจะเป็นยังไงก็ตามก็ชื่อว่าเป็นการดำเนินไปถูกทางแล้วในตติยสูตรในรับสั่งแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์รงทรงห้ามพระไทยจากการตรึกนึกถึงการมาคุณห้าได้เคยเกี่ยวข้องมาแล้วแน่ดิต คำว่ากามคุณก็คือสิ่งที่ใจไปกำหนดเอาวบนาใคร่หรือเป็นกลุ่มของสิ่งที่ใจคนไปใคร่ไปปรารถนาไปพอใจนั้นก็ได้แก่อารมณ์ของโลกคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนนอนแข็งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วก็เป็นกลางกางแต่สิ่งที่ใจมักจะนำมาเหนียวนึกนั้นก็คือสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่เป็นกลางๆแต่แต่ใครจะหนักในเรื่องอะไรมากก็ขึ้นอยู่กับพื้นใจของเขาเจนเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นก็จะนำเรื่องไม่ดีของบุคคลอื่นในอดีตเข้ามาเหนียวนึกตึกนึกมากแต่ถ้า เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีมีความอำนัดะระคายพอใจเพลิดเพลินในอารมณ์ที่เป็นอดีตใจก็จะเหนี่ยวไปอยู่กับอารมณ์ที่ใจใคร่ใจปรารถนาใจพอใจซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเรามองกันโดยไวไวของผู้ชารานั้นจะอยู่กับกรรมคุณนอดีตคือสิ่งที่ตนเคยใคร่เค ย, เคยปรารถนาแล้วก็พอใจ แล้วก็มัเหนียวนึกตรึกนึกก็ด้วยอำนาจของกาวไมตกอย่างที่เคยกล่าวไว้ในวันก่อนแต่ว่าจะเหนียวนึกตรึกนึกยังไงก็าตามสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วแนด่ดีตั้งอยู่แล้วแนด่ดีก็ดับไปแล้วแนด่ดีจะดีก็เท่านั้นจะไม่ดีก็เท่านั้นจะเป็นกลางกลางก็เท่านั้นแต่ไม่ใช่ห้ามไม่ให้เหนียวนึกเลยเพียงแต่ว่าเหนียวนึกในลักษณะอย่างไร ให้เราสังเกตว่าในพวกอนุสติคืออารมณ์ของกรรมฐานสิบประการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวในดิตเช่นนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงลึกถึงคุณศีลึกถึงคุณการสละ น, นลึกถึงเทวดาเป็นต้นแต่ยังก็เป็นอารมณ์ในอดีตแต่ระลึกเพื่อมาใช้เป็นครูที่สำเนีบรู้ แล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นภายในจิตตนในปัจจุบันในส่วนที่เป็นอดีตมันก็เป็นอดีตไปแต่เราก็นำมาใช้เป็นบทเรียนแต่ว่าในกรณีที่ไม่ดีถ้าจะนำมาเหนียวนึกตึกนึกมันก็ต้องมองในแง่ของความเป็นโทษคือต้องชัดเจนในสถานภาพของความเป็นโทษของสิ่งนั้น แต่ในาที่นี้ทรงมองไปในแง่ของความเป็นคุณพอคิดไปคิดมาใจมันก็เพลินคือยึดติดอยู่ในอารมณ์ในอดีตบางครั้งบางคราวก็สร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาเช่นคนท่าคนแก่พูดไปหน่อยเดียวท่านก็ไปในอดีตละแต่ต้องกคุยสนุกสนานกับท่านในอดีตเราฟังเองเราก็ไม่รู้เรื่องปราเกิดไม่ทัน พรารมณ์เหล่านี้ก็เป็นที่กำหนัดเพลิดเพลินแต่ว่าถ้าใช้เป็นก็ได้ประโยชน์ดังกล่าวแต่ในกรณีนี้เป็นการใช้ไม่เป็นหมายความมาสร้างโลกส่วนตัวขึ้นไปตัวเองอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าเรื่องที่ใจเป็นเนียวนึกจึกนึกนั้นเป็นเรื่องราวของอดีตทั้งหมดจึงการเนียวนึกจึกนึกในลักษณะนี้ โปรงก็มีปัญญาสอด ส, ส่องมองกินประการมคุณห้าในอดีตนั้นได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตคิดไปเพีเท่า น, นั้นเองมันไม่มีการพลิกฟื้นคืนขึ้นมาได้อย่างที่เคยบอกไว้ในบังกอดว่าโบราณท่านสอนเอาไว้ว่าอดีตนั้นเป็นเรื่องของผีเือตายแล้วอนาคตเป็นเรื่องของเทวดา แต่ว่าปัจจุบันเป็นเรื่องของเรามันก็เอาเฉพาะส่วนของเราคือส่วนที่เป็นปัจจุบันเข้ามาใช้มาคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์เพราะันจึงทรงใช้ความไม่ประมาทแต่สติเป็นเครื่องป้องกันจิตคือการจิตเอาไว้ไม่ให้เหนียวนึกในลักษณะที่เพิ่ม เพิ่มความกำหนัดเพิ่มความกัดเครืองเพิ่มความรุ่มหลงเพิ่มความมัวเมาแต่ถ้าหากว่าคิดไปแล้วมันเกิดคลายความกำหนัดเกิดคลายความกัดเครืองเกิดคลายคลายความรุ่มหลงคลายความมัวเมามันก็คิดได้นะฮะเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันอยู่ที่เราคิดยังไงเพราะสิ่งที่เรานํามาใช้เป็นบทเรียนทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องอดีตทั้งนั้น เพียงแต่ว่าใช้เป็นไปใช้เป็นมันก็ได้ประโยชน์จากการใช้ในสิ่งเดียดนั้นแต่ใช้ไม่ไม่เป็นมันก็เกิดโทษแก่จิตใจเพิ่มความขุ่นมัวเศร้ามองให้แก่จิตใจหรือถ้าเรามาเทียบเคียงถึงว่าวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมีเวลาเป็นอันมากที่จมอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเพลิดเพลินหรือจะเสียใจก็ตาม มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะเพ่ลินก็เพื่อ เ, เพลินก็สิ่งที่ตายไปแล้วเราจะเสียใจก็เสียใจกับสิ่งที่ตายไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเนียวนึกตรึกนึกแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นามาเป็นบทเรียนในการลดละมันก็สามารถหาประโยชน์ได้ทั้งสองทาง โดยการเป็นผู้ไม่ประมาทลองสังเกตนะฮะเช่นเราศึกษาเรื่องราวของคนประมาททั้งหลายเนี่ยเพื่อจะเห็นโทษของความประมาทก็ เ, เป็นเรื่องของคนใอดีตแต่ก็มากระตุ้นเตือนใจเราไม่ให้ประมาทในปัจจุบันเพราะดีเราไม่ประมาทเราตามไปไม่ประมาทไม่ได้อะมันผ่านไปแล้วเราก็มาไม่ประมาทอยู่ในปัจจุบัน แต่ตัวครูคือตัวบทเรียนนันันมาจากอดีตคำสอนในพระพุทธศาสนาพวกชาดกพวกเทราคาถาคือคาถาของพระเทระเทรีคาถาคาถ า, า, าของพระเทรีพวกเปรตวัตถุพวกวิมานวัตถุพวกพุทธวงจริยาบิดกอะไรอะไรเยอะนะฮะก็เป็นเรื่องบุคคลที่มีตัวตนอยู่แล้วในอดีตแต่นำมาศึกษาในฐานะเป็นครูในปัจจุบัน ถ้าศึกษาอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นมันก็หาประโยชน์ได้ในความไม่ประมาทเนี่ยต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็จุดถึงจุดหนึ่งก็คือไม่มีจุดอ่อนให้เราสังเกตว่าปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปเกิดขึ้นจากจุดอ่อนตรงในตรงไหน อย่างใกล้ๆกับที่เรากับโลกกับพม่าครั้งที่สองโดยเว่าจุดอ่อนของเราก็คือจุดที่พัญาจะกรีบไปดำเนินการไปเ่ี๋ยคนอ่อนแอไปอยู่ในจุดที่แข็งก็เข้ามาได้หรือว่าเอาคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอะไรไปอยู่ในจุดที่ต้องรับผิดชอบสูงก็กลายเป็นจุดอ่อน จุดอ่อนตรงเนี้ยเมื่อมันปริแตกขึ้นมาสักจุดต่นนองคล้ายๆกันน้ำที่มันอัดจนจุดใดจุดหนึ่งมันพังแล้วทีเนี้ยก็พังก็เป็นการใหญ่ได้จิตใจของบุคคลก็เหมือนกันเมื่อมองไปที่ความไม่ประมาทพู้เจ้าทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆและเราจะพบ ดูบ่อยเพียงแต่ว่าจะทรงเน้นในเรื่องไหนทอนนั้นเองความประมาทที่เป็นพื้นฐานของสัพพชีวิตในโลกก็คือประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคในวัยก็คิดว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่แก่ยังอยู่ได้อีกนานในช่วงนี้ก็หาความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจไปก่อน แล้วค่อยศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมพยายามแก้ชาราลงไปการคิดอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นความประมาทเพราะว่าจริงในชีวิตเรารู้ได้อย่างไงจะอยู่ถึงวันนั้นวันนี้วันนนท์กลังพูดพูดอยู่อาจจะตายไปเลยก็ได้ยืนยืนเดินเดินเนี่ยคนราก็ตายอย่าได้ทุกข์ทุกยบาดแต่ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยที่จริงค่อนข้างชัดเจน เพราะความตายนั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเราอาจจะไม่ประมาทแต่ว่าไปอยู่ร่วมกับคนที่ประมาทเราก็อาจจะตายได้หรือไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนประมาทอยู่เนี่ยเราก็อาจจะพล อ, พพอยคว้าพลอยควรเราได้ในวันในความไม่มีโรคเป็นจุดอ่อนโดยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ยเป็นจุดอ่อน คือเรากินยาได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลไม่ชอบไปหมอสวดเช็คร่างกายเราต้องอาการหนักเต็มที่แล้วจึงจะไปหาหมอกันบางครั้งก็สุดวิสัยที่จะช่วยเหลือแล้วก็ตัวในชีวิตเนี่ยก็มีการคิดในแนวที่คล้ายๆเราอยู่จนตาย อยู่จนแก่ตายแต่ว่าชีวิตก็ไม่เท่งแท้แน่นอนดังกล่าวเพราะการมองชีวิตในลักษณะนั้นชื่อว่าประมาทเพราะว่าชีวิตมันเป็นขณะขณะขณะที่ต่อกันแล้วมันเกิดดับตรงใดก็ไม่รู้เพราะวนันวัยของเราจึงไม่แน่นอนว่าเราจะผ่านปฐมวัยมาจิ ม, มวัยแล้วก็ไปแก่ตายที่ปัจจิ ม, มวัยนี่ไม่แน่ ประชีวิตมันก็สืบเนื่องจากกุญยะในที่จะพงแปลว่าเสื่อมนะไวในแปลว่าเสื่อมคือหมายความว่าเสื่อมอยู่ทุกขณะเพราะชีวิตจึงพร้อมจะแตกตักแล้วก็หานิมิตราเครื่องกำหนดหมายอะไรไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บก็มีลักษณะอย่างนั้นคนนี้ที่จริงก็เกี่ยวเนื่องถึงกันชีวิตเรานั้นเป็นรังของโรคมาแต่ต้น และบางครั้งบางคราวบางคนก็อาจจะมีอคุสนกรรมเป็นเหตุที่ให้โรภคภัยไข้เจ็บเปลีป่ยนมากเจนาพบก่อนชาติก่อนเราเคยเบียดเบียนสัตว์มามากเนี่ยในชาติปัจจุบันเราก็มีโรภคภัยไข้เจ็บเปลีป่ยนมากเรียกว่าคนบางคนเนี่ยก็กินยากันตลอดชีวิตแต่ไปดูข่าวบางทีเด็กเล็กๆบางคนก็เกิดมาถึงก็ มีต่รังของโรคแล้วเพราะเวลาโรคมันเกิดเนี่ยชีวิตมันเข้าสู่จุดเสี่ยงทันทีคือไม่หายก็ตายแลก็เรียกว่าห้าสิบห้าสิบพเจ้าทรงจำแนกโรคไว้เป็นสามประเภทคือหนึ่งโรคที่ต้องรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาหรือไม่รักษาก็หาย โรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตายเป็นโรคที่เกิดแต่กรรมเพราะพอเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นอยู่สองประเภทแรงคือ ถ, ถ, ถ้าถึงกับรักษาขึ้นมานะมันก็อยู่ประเภทที่เรียกว่ารักษาก็หายไม่รักษาก็หายหรือร้องรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายแต่ว่าคนที่ไม่ประมาทนั้นจะต้องรีบบำบัดรักษา คือการป้องกันปัญหาเนี่ยจะเป็นการดีกว่าแก้ปัญหาเลยประการหนึ่งก็คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันมันก็ไม่อื่นไปจากเรื่องสุจริตทุจริตแต่ตัวเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญนั้นก็คือความเห็นพฤติกรรมของคนเราแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ความคิดหรือความเห็น เขาคิดยังไงก็ เ, เห็นอย่างนั้นเห็นยังไงก็คิดอย่างนั้นทีนี้ถ้าเริ่มที่ความผิดผิดเขาก็คิดผิดก่อนจะทําเราก็คิดก่อนทําก่อนจะพูดเราก็คิดก่อนพูดทีนี้ถ้าเริ่มจากคิดผิดการกระทําก็ผิดการพูดก็ผิดทุจริตโทษบาปอากุศล ต, ต่างๆก็จะติดตามมาอีกเป็นอันเนี่ยขนาด เราะก็ทรงสอนให้พยายามที่จะละกายทุจริตมาประพฤติกายสุจริตที่จริงพวกนี้ในการพูดก็พูดอย่างนั้นแน่ะครับคือ พ, พวกทุจริตเนี่ยถ้ารเราไปเพิ่มสุจริตขึ้นมาสุจริตมันก็ทำลายทุจริตเองแต่ว่าการพูดแนวนี้เป็นการพูดในแนวที่เราเรียกว่าละชั่วประพฤติ หมายความส่วนใดเป็นความชั่วก็ลดละส่วนใดเป็นความดีก็กระทำบำเพ็ญขึ้นเรื่องก็เหมือนกับอะไรแหละมันเหมือนกันน้ําในสระเนี่ยน้ําในสระสมมุติว่าน้ําในสระมันขุนถ้าเราต้องการจะสลายเนี่ยทําได้สองวิธีคือหนึ่งสูบน้ําขุนออกให้หมดแล้วน้ําใสใสเข้าไปอีกวิธีที่สองก็คือเอาน้ําใสใสเข้าไปเลย แต่น้ำใสจะผลักจะดันจะสลายความขุ่นข้นเหล่านั้นให้เจือจางบาบางลงไปแต่เราสังเกตวิธีที่สองนั้นต้องใช้ปริมาณน้ำใสอนเนกอนันต์คือมากกว่าน้ำขุ่นหลายเท่าตัวจึงจะสามารถสลายก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาน้ำขุ่นออกไปเลยแล้วน้ำใส่ใส่เข้ามาเนี่ยปริมาณมันก็พอๆกันคือหมายความว่า สมมติว่าน้ำน้าขุนเต็มสะเราสูบออกหมดเอาน้ำใสใสเข้าไปเต็มสะก็พอแต่ถ้าอย่างโน้นไม่ได้ถ้าแนวเอาน้ำใสมันสลายน้ำขุนเนี่ยใช้ปริมาณน้ำขนาดนั้นไม่ได้มันต้องเพิ่มไปอีกสองสามเท่าจึงจะสามารถสลายแล้วก็ปลักใสแล้วก็กดลงไปอยู่ข้างล่างได้เนี่ยเพราะคำสอนส่วนใหญ่จึงออกมาแนวละบาปบำเพ็ญบุญอะไรเพื่อต้องการให้บุคคลได้ มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนเพราะถ้าเราละตัวบาปไปได้เนี่ยความทุกข์ที่สืบเนื่องจากบาปก็จะน้อยลงแต่เราบมเพ็ญบุญขึ้นมาได้เนี่ยความสุขที่เกี่ยวเนื่องกับบุญก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นผลเห็นอันนีสงของการประพฤติปฏิบัติความดีทั้งหลาย สันนั้นในกรณีนี้จึงต้องกระจายความไม่ประมาทออกไปครบทั้งสี่ประการแต่ตัวหลักจริงๆก็คือสามประการนะฮะแต่สามประการนั้นเป็นอาการและตัวหลักจริงๆมันประการเดียวก็คือความเห็นชอบไม่ประมาทในการละวิจีทุจริตประพฤติวิจีสุจริตคือทุจริตหรือสุจริตเนี่ยอย่ามองว่ามันเล็กน้อยแล้วจะไม่ให้ผลหรือไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าทุกอย่างนี่ที่จริงมาเริ่มจากการสะสมเทีเยงเล็กเทียน้อยในส่วนคุณหรือโทษประตาบเราก็ทรงสอนให้บุคคลมองเห็นโทษชัดเจนแม้เพียงเล็กน้อยก็คือโทษส่วนคุณก็มองเห็นชัดเจนแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นคุณแล้วก็ไม่ประมาทในการละทุจริตทางกายแอบทางวาจาทุจริตทางวาจาก็อีกแหละก็ไม่อื่นไปจากสี่เรื่อง คืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดกำหยาบพูดเลวไหลที่เราก็ต้องพูดอ่ะก็คือพูดตรงกันข้ามกับคำพูดเหล่านั้นก็คือพูดคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำส่งเสริมสมาคีประสานสมาคีกระชับสมาคีไพเราะอ่อนหวานแล้วก็มีสาระประโยชน์ ริเวณจา ก, การพูดคำหยาบคายไร้กาศโดยเจตนาให้เกิดความผิดหน้าได้เกิดความเสื่อมเสียให้เกิดความอับอายให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่บุคคลอื่นมาพูดคําที่เกิดโดยเมตตาจิตซึ่งบางาาคารั้งมาคราวก็อาจจะไม่ไปร้ออะไรเท่าไหร่แต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยคนฟังเขาสบายหูสบายใจไม่เกิดความวิตกกงังวลไม่เกิดเสียวเสียใจ แล้วก็กระบวนในด้านความคิดที่เรียกว่ามนโนทุจริตเนี่ยเป็นความคิดในทางที่ผิดโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นพยาบามปองร่ายบุคคลอื่นเห็นผิดจยากทำนองคลองทำก็เป็นอาการที่เรียกว่าถูกครอบงําด้วยกิเลสมีความทุกข์มีความเล้าร้อนเป็นผลเราก็พยายามลดละ แล้วก็ฝึกปลือจิตใจของตนไม่ให้โลภถึงแม้จะโลภ ก, ก็ไม่อยากได้ของคนอื่นไม่ให้โกรธถึงแม้จะเกิดโกรธก็ไม่อาฆาตยาบาดไม่หลงถึงแม้จะหลงไปบ้างนะก็ไม่ให้ออกจากการลองครองทำไปเพราะตัวการใหญ่ก็อยู่ที่การพัฒนาความเห็นก็ตตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ท, ทีนี้ความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะเห็นว่า มันต้องอาศัยการเรียนรู้มาจากข้างนอกที่ทราเรียกว่าปรตโขสะคือรับรู้มาทางประสาทสัมผัสจากข้างนอกแต่ตัวการสําคัญมันอยนู่ในที่โยนิโสมณัสิการะคือการนํามาคิดโดยเหตุโดยผลโดยบายวิธีที่แยบคายมีความถูกต้องเห ม, มเาะสมผลอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านคิดก่อนจะสัตรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็คิดจากข้อมูลต่างๆ แล้วก็มีความชัดเจนนะฮะเพราะว่าเรื่องที่เป็นอดีตมันจะดีก็เกิดขึ้นในอดีตตั้งอยู่ในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตเรื่องกลางๆก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วในอดีตเรื่องที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วไปแล้วในอดีตจุดอ่อนที่อันตรายเนี่ยคือว่าเราไปเศร้าโศกเสียใจตังความผิดพลาดในอดีตมีตกกังวลเดือดร้อนเครียดคือตอนแรกมันเพิ่มบั๊ คือตอนที่สองนั้นเพิ่มทุกข์คือตอนที่นํามากระดรุ่งวิตกกังวลเนี่ยเพิ่มทุกข์และสุดก็ออกไปเป็นบาปจนได้เพราะบางครั้งนี่ทรงสอนในแนวที่เรียกว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วเรื่องที่ยังไม่มาก็คือเรื่องที่ยังไม่มาแต่ก็ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติแสวงหาประโยชน์เฉพาะปัจจุบันนัคะให้ได้ สิ่งที่รับผิดชอบได้จริงๆก็คือปัจจุบันนะะนขนาดเมื่อมีสติเป็นเครื่องกีดกั้จิตว่าอย่างนี้ไอ้ประโยชน์ที่จำนวงหวังก็บังเกิดขึ้นแก่พระองค์แล้วก็บังเกิดขึ้นไปโดยลำดับซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกันหมายความว่าใครประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น ก็จะเกิดประโยชน์ตามซุ้มเกิดเกิเหตุแต่ปัญหาสำคัญว่าการเนียวนึกในแนวนี้ส่วนใหญ่มันจิตมันจะตกคลักอยู่กับอารมณ์ดอกนั้นมีความกระสันอยากไฟ่ฝันบุญเพิ่มโหยหาอะไรในการดือสิ่งที่พระทรากจากไปถึงสิ่งที่พระทรากยากไปแล้วก็มีปัญหา หรือบางครั้งไปเหนียวนึกสึกนึกด้วยความมาคาดมาดร้ายต่อคนรสัตว์ที่เราไม่ชอบแล้วก็มีปัญหาต่อสุขภาพจิต ด, ด้วยกันทั้งสองฝ่ายั้นวิธีการที่ฉลาดก็คือว่ามันจะต้องเข้าใจในแง่ของสภาวะธรรมนั้นก็คือตายหมดแล้วแต่ในแง่ของความฉลาดเนี่ยสามารถเหนียวนึกมาเป็นครูในการดําเนินชีวิตได้ เพราะจริงๆเรื่องอดีตนั้นมีเจตนาแล้วมีความพยายามแล้วมีการกระทําแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําแล้วแต่เราไปเอาเป็นแบบจางในการศึกษาในการวิพิตรปฏิบัติก็จะได้ผลในทํานองเดียวกันต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี